บรรดาลูกหลางที่รักและบรรดาท่านพระ조사พระฤกษีนชนทั้งหลายในวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องของโมโหสุบันลิตในวันก่อนมาพบมาจบลงตอนประวัติความเป็นมาเขาสุนักกับแพที่เป็นสหายกัน ความจริงคติข้อนี้เป็นคติธรรมที่ดีรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่บรรดาลูกหลานทุกคนน่าจะคิดแล้วก็ควรจะไปปฏิบัติความจริงสุนัขกกแพ้มีสภาวะเดิมไม่ค่อยจะลงโบสกันเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบกัน แต่ารทว่าอาศัยอารมณ์แห่งความดีรู้สึกว่าต่างคนต่างมีทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยความหิวเป็นสำคัญความหิวในบรรดาลูกหลานที่รักเป็นเรื่องใหญ่บางคนหิวเข้ามาจริงๆที่ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ที่เขเรียกกัว่ามโหหิว ให้มาต่างคนต่างหิวต่างคนต่างมีความทุกข์เมื่อรู้จักสุขรู้จกักทุกข์เห็นใจสิ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายจึงปรึกษาหารือกันในฐานะความเป็นมิตรความจริงบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีที่จะเป็นมิตรกันได้อาศัยเหตุสี่ประการหนึ่ง แบ่งของกินของใช้ให้ซึ่งกันและกันในเมื่อเพื่อนขาดแคลนหรือว่าคนอื่นขาดแคลนข้อนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรักที่สองพูดดีให้วาจาไพเราะวาจาอ่อนหวานวาจาที่เป็นประโยชน์ก็เป็นเหตุให้เกิดความรักสามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น หมายความว่าถ้าเขาขว่ข้อในอกรณีใดๆถ้ากําลังร่างกายกําลังความคิดกําลังใจของเรายังไม่สาวยังไม่หมดความสามารถมีความสามารถจะทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็ช่วยเขาทําแล้วก็สี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนทํำตนเสมอกันคือรักกันรักเขามันรักเรา นี่ต่างคนต่างทํากันอย่างนี้ก็เป็นมิตรที่ดีกันได้สำหรับแพ้ต่อสุนัข ก, ก็เช่นเดียวกันน่าจะเป็นตัวอย่างสําหรับลูกหลานทั้งหลายแต่ว่าตัวอย่างขโมยอย่ า, ามานะอย่าถือตัวอย่างขโมยเป็นตัวอย่างปฏิบัติเอาแต่เป็นตัวเป็นตัวอย่างที่เขามีความเห็นอกเห็นใจซึ่ง ก, กันและกัน ถึงแม้ว่าเขาจะมีเผ่าพันธุ์ต่างกันแต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันมีความหิวเหมือนกันเขามีทุกข์เช่นเดียวกันต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างมีทุกข์ก็ไม่มีใครซ้ำเติมกันใช้วาจาที่ไพเร่ปรึกษาหารือกันและก็วางแผนไปนําอาหารมาสู่กัน ต่างคนต่างทำประโยชน์ให้กัซึ่งกันและกันและต่างคนต่างไม่ถือตัวจริยาอย่างนี้ขอลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติเพราะว่าจะเป็นมหาสเสน่ห์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าสเสน่ห์ที่ทำให้คนรักจะต้องไปหาครูบาอาจารย์เสกของให้เขารักทำเดรกุตพิษมอนหเหกเสกแป้งผัดหน้าอันนี้ไม่มีประโยชน์ ถ้าเราวาจาไม่ดีไม่รู้จักเอาใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งปันของที่มีอยู่เมื่อเพื่อนมีความขาดแคลนแล้วก็ไม่ยามช่วยเหลือเพื่อนเย่อหยิ่งจองหองถือว่าตั ว, ต, วตัวเหลือกว่าการอย่างนี้จะไปหาสเสน่ห์ที่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์คำว่าสเสน่ห์แปลว่าเป็นเหตุให้รัก มีเหตุที่เราจะให้คนอื่นรักผู้ใหญ่รักเราหรือว่าเด็กเสมอกันรักเราเพื่อนรักเราก็ต้องอาศัยเหตุปการตามที่กล่าวมาแล้วให้ดูตัวอย่างแพ้บสนักเป็นสำคัญแต่ถ้าคนเราก็ต้องถือว่าหนึ่งสงเคราะห์เพื่อนโดยวัตถุถ้าเขาขาดแคลน จะเป็นของใช้ผ้าโนื้อผ้าห่มเงินทองก็ตามที่เราจะพึงมีแราการในสองใช้วาจาไพเราะเรการในสามช่วยกิจการงานของเพื่อนในเมื่อเพื่อนไม่สามารถจะทำได้โดยตนเองสี่ไม่ถือตัวเกินไปแ้่สี่แ 4, ราการนี้ถ้าลูกหลานทุกคนปฏิบัติได้ อย่าเป็นที่รักของท่านที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลที่เสมอกันและก็อย่าเป็นที่รักของคนที่เด็กกว่าเราถ้าจะไปท่านไหนก็จะพบกับความสุขมีคนยิ้มแย้มแจ่แมใสอยากจะได้พักอยากจะอาศัยอยากจะเกื้อกูลให้มีความสุข ถ้าลูกหลานไม่แน่ใจแล้วก็ลองปฏิบัตดิดูทั้งปู่ขอยืนยันตอนนี้ไปก็จะขอกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชบริมกษัตริย์เมื่อพระบาทเท้าเธอเห็นแพ้กับสุนัขมีความสามัคคีกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม้ปรากฏร่ามมีในการก่อนอารงพอรุงร่งขึ้น หรือว่าพอวันรุ่งขึ้นบรรดาเหล่าบัณฑิตทั้งหลายมีท่านเสนกกกุกัตนะท่านเสนกเป็นต้นสี่ท่านเนียกันนะเสนกโกกุสะเทวินทะอะไรเนี่ยกามินสี่คนแล้วก็มีธรมโหสดด้วยขามาเฝ้ า, าร้อมพ<บ>ระเายพระราชบริพานทั้งหลายร้อมเป้าเป็นปกติเป็นที่ประชงขุณนาง ความจริงในสมัยก่อนถึงแมว้ว่าเขาจะปกครองด้วยอำนาจสรมห า, หากษัตริย์ที่เรียกว่าสมบูรญญาลักษณ์อเมริกากษัตรให้พระมห า, หากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดแต่ว่าการจะทำอะไรก็ดีพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทำเพระองค์เดียวก็มีการปรึกษาหารือกันในคนที่จะปรึกษาหารือกับพระมหากษัตริย์ ก็ทรงคัดแล้วดูความสามารถว่าคนนี้เคยผ่านงานผ่ า, านการมาเป็นไปการใดมีสติปัญญาเพยียงใดในด้านความสามารถจรึงจะนําเข้าสู่ท้องพระโรงในที่ประชุมไม่ใช่ให้ตาสีตาสารเลือกเข้าไปเพียงแต่เขาโกหกว่าจะเข้าไปทำอย่างนั้นจะเข้าไปทําอย่างนี้น ดีไม่ดีเขาเลี้ยงเหล้าสุรายาเมาแก่สียตางเล็กๆ น, น้อยให้เขาไปนั่งเป็นเจ้าเปน็นนายเราทีหลังอย่านี้หลวงปู่คิดว่าไม่มีความหมายเสียงเงินภาเสียก่อนตบเปล่าเพราะการเลือกไปเราไม่ได้ได้คนดี ถ้าเขาเลี้ยงเรามากเท่าไรเขาจ่ายมากเท่าไรก็แสดงว่าเขาต้องการกําไรเท่านั้นกําไรที่เขาได้ก็เป็นยาหนือแรงงานของพวกเราพวกเรากว่าจะได้ข้าวสารแต่ละถังกว่าจะได้ปลาทูแต่ละตัวมากินก็ทากันแสนยากแต่คนพูดนี้อาศัยพูดมากบางทีก็ไม่พูดแค่นั่งยกมือ เขาก็ได้เงินเดือนแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิพิเศษมาเล่นภาษีอากรพิเศษทวกเราเขาอีกนี่ล้มปูหมายถึงคนชั่วที่เราเลือกเข้าไปแต่ถ้าว่าเราได้คนดีเข้าไปก็มันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการเลือกคนก็จงเลือกคนดีนึ่งคนนั้นไม่ใช้จ่ายมาก ประการที่สองดูประวัติเดิมของเขาว่าเขาเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวและก็ประการที่สามไม่ยามที่เขาไม่ต้องการให้เราเลือกเราก็ดูว่าเขาเคยเกื้อกูลใครหรือเปล่าท่านี้ล้มปู่ไม่ได้ไหมายความว่าการเลือกผู้ทแทนรัศดรไม่ดี การเลือกเข้าไปดีขอให้เขาเป็นผู้แทนของเราแต่ว่าจงอย่าเลือกผีเข้าไปเป็นผู้แทนเข้าไปกบ่บโกยเงินทองมัวเมาในราบสการะพอเข้าไปก็อย่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าจะเป็นรัฐมนตรีอย่าจะเป็นเลขานุ ก, การอย่างนี้เขาไม่เรียกไดว่าคนดีเขาไม่ได้ทำเพื่อเราเขาทำเพื่อเขาเขาเาเปรีบเรา ขอพูดเรื่องนี้ต่อไปว่าเมื่อตอนเช้าบรรดาหมายข้าราชบริพารและบัณดิตทั้งห้ามีท่านเสนกและมโหสดเป็นต้นเข้าไปเฝ้าที่ท้องพระโรงแล้วต่างคนต่างก็นั่งตามที่สมควรของตอนตามลำดับขึ้นเธอท่านเสนกเป็ น, นเป็นอาจารย์ใหญ่ นั่งอยู่ใกล้ที่ประทับถัดลงมาก็ท่านปปกุตตะต่อมาก็กาวิกาิก า, กาินทะต่อมาก็เทวินทะระดับท้ายที่สุดก็คือมโหสถเพราะว่าเข้าไปอยู่ที่หลังแล้วก็เป็นเด็กน้อยนอกจากนั้นก็มีหมาย้าราชบริพารเท้าออตามตำแหน่ง เมื่อคนทุกคนเข้าไปเป้าพร้อมแล้วพระองค์จุลนทรตั์ตัดว่าวันนี้เรามีปัญหาให้พวกท่านคิดแก้แต่หากว่าคนใดแก้ไม่ได้เราจะขับออกจาก แ, แว่นแควนของเราเพื่อเราต้องการแต่คนที่ฉลาดไม่ใช่ฉันไม่ต้องการคนโง่ไว้ใช้ ทุกคนจงเข้าใจคำพูดของฉันอันนี้เป็นพระบระมาราชองคการที่พระเจ้าวิยาราชทรงตรัสผู้นัน้นใจตึาากตึกตึกตึกว่าวันนี้จะไดอะไรกับเราแต่ถ้าว่ามโหสถบัณฑิตอายุเพียงเจ็ดปีท่านนาั่งเฉยมีควาสมสบายจิตใจไม่เต้นไม่ผิดปกติ พระองค์สัตว์แล้วตัดแล้วบรรดาพวกบัณฑิตทั้งหลายยิงกลา่าบทนว่าคณะข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชประหลงกษัตริย์พระบาทเท้าเธอจินตัดว่าถ้ากันนั้นจงฟังถ้าตั้งใจฟังเราจะถามแล้วนะปัญหาที่ฉันจะถามฉันจะถามอย่างนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะ เอต้องคอยฟังแต่กล่าวว่าสัตว์ในชาติในโลกนี้มันมักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกันตามเป็นศัตรูกันไม่เคยเดินทางร่วมกันแม้แต่เพียงเจ็ดเก้าหมายความสัตว์พวกนี้ไม่เคยตามกันมันไม่เคยร่วมเดินทางกันไม่เคยเป็นมิตรมาก่อนถ้ามัน สมมติว่าถ้ามันเห็นกันเข้าก็ต้องพยายามวิวาดสิง่งกันละกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดมีอาการประหลัยเกิดขึ้นคือว่าบริษัทที่เป็นศัตรูกันกลับมาเป็นเพื่อนกันมีกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความสนิทสนมชอบพอกันที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเหตุ อันนี้เป็นปัญหาที่ฉันถามและขอมนุษทุกคนจมาพาเก่งคิดหาคำตอบท่านมโหสถบัณฑิตพิจารณาปัญหายังมองไม่เห็นเรื่องความตามที่ตำริของพระราชาเจนิคิดว่าพระราชาของเราคงจะทอดระเนี้เห็นะไรเป็นแน่ คงจะไม่คิดตั้งมาหาขึ้นมาเองนี่หมายความว่าท่านบัณฑิตท่านคิดว่าปัญหานี้พระเจ้าจวิเทราชเขไม่ตั้งขึ้นมาเองจะต้องไปพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นชัดประเภทใดประเภทหนึ่งเขาแล้วไม่ใช่เป็นความคิดเป็นการเห็นเมื่อท่านโอ๋กับบัณฑิตโอชกินคิดว่าเราควรจะทนข้อโ อ, อกาสใคร่ครว ดูสักนหนึ่งวันแต่เ ร, เราต้องดูอาจารย์เสนกก่อนว่าจะคิดยังไงถ้าหาว่าจะทูนไปก่อนเขาจะหาว่าแหมเจ้านี่โ่ยเต็มทีเราต่างคนต่างคนไม่ไปมีปัญญายต่างคนต่างบณริตที่ว่าเป็นนักปราชญ์ก็ต้องดูลีลาซึ่ง ก, กันและกันมิฉนั้นจะเสียท่ากันแล้วอาจารย์เสนก เมื่อฟังแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาเห ม, มือนกันมืดมัวเหมือนกับท้องคนมืดมิดอยู่ในห้องที่สนิทหาความสว่างไม่ได้คิดไม่ออกเอาจริงๆจึงอยากจะรู้ความว่ามโหสถจะคิดยังไงเอาสิตอนนี้ต่างคนต่างมองตาเสยนกันหน้าหลอกแหลกหลอกแหลกคิดไม่ออก ยิ่งในเหลียวมองไปทางมโหสถก็พอดีถ้ามโหสถมองมาท่านเสียน ก, ก็รู้ว่ามโหสถก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็รู้ความประสงค์ของมโหสถที่อยากจะขอเลื่อนก็หมดแก้ปัญหาไว้สักหนึ่งวันนีความจริงเขาก็มีความฉลาดมากเพียงแค่มองตา ก, กันเท่านี้ก็รู้ไม่ได้มีการนัดหมายมา ก, ก่อน เรื่องการใช้การสังเกตการใช้ปัญญาลูกหลานที่รักมันมีความสําคัญมากฉะนั้นลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องมโหสถในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ใช้ปัญญาบา ร, รมีฟังแล้วก็ช่วยเด่นคิดถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่ตรงกันเขาที่เราประสบแต่ว่าเอาเหตุเอาผลเหล่านี้ไปใช้มันก็เป็นประโยชน์ อยงเ ช, เ, ชยเช่นจนั้นท่านเสนกเจึงหัวระขึ้นด้วยความภาคภูมิใจที่ตนเป็นคนสนิจกับพระราชามานานแล้วกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าพระองธุทีลพระบาทหาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้พระองค์จะทรงขับไล่ข้าพระบาททั้งหลายออกจากแวดแหวนจริงๆหรือพระเจ้าค่า นี่เขาถือว่าเขาสนับสนมมานานื่อเจ้าวิเทยรย์ได้กระส่งตดว่านี่ฉันพูดจริงๆนะเราเป็นกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคำพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นจะทำเป็นแบบคนเสเพรพูดไม่มีสาระประโยชน์พูดแล้วก็ลืมคนอย่างเราไม่เป็นที่นั้น มื่ว่าบัวก็ต้องบัวควายก็ต้องควายว่าจะขับจะไล่มันต้องขับคนไล่กันจริงๆคนโง่ฉันไม่ต้องการไว้ในสนะของฉันอีตาเท่าสารพัดพิษซึ่งมีฤทธิ์ ม, มากคือเสียนกเจลีกราโูนต่อไปว่าขอดีชะฆ่าแต่เพื่อจอมฆ่าแต่เพื่อจอมประชากร ปัญหานี้มีเงื่อนงำสลับซับซ้อนมากข้าพระพุทธเจ้าเห็นจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการไตรตรองในที่สงัดเงียบแต่ผู้เดียวหากว่าจะคิดในเวลานี้ก็คงคิดไม่ถนัดเพราะมีคนมากทำให้อารมณ์ฟุ้ฟงซ่าน เพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลึกนับซับซ้อนมากเป็นปัญหาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างละเอียดดังนั้้าพระพุทธเจ้าหวังแในพระมหากรุณาธิคุณตกกล้าปกครองขอเลื่อนการแก้ปัญหานี้ในวันต่อไปได้ไปไปเถิดพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าพระราชาได้สนับเพื่อคาขอเสนอก็ดีพระไถยยิ่งแต่ว่าเอาเถอ เราจะยอมเลื่อนให้เจ้าจะมีเวลาคิดก็ได้มีเวลาคิดแต่ถา้าคิดไม่ได้เราจะขับห้พ้นจากแคว้นนโดนไม่มีเงินไขพราะตรัสเสร็จก็คือออกจากท้องพระโรงเพีเข้าข้าในเนี่ยออกจากจากท้องพระโรงเข้าในห้องไม่ใชออกจากท้องพระโรงไปที่วสนงหาหลวง บรรดาบัณฑิตทั้งสี่คนออาใจท่อมรงไปด้วยกันต่างคนต่างก็ปรึกษากันว่านี่พวกเราหน้ากูจะแย่แล้วในครั้งนี้นะแย่ทำยังไงดีปัญหานี้ฉันไม่เข้าใจเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงในว่าสัตว์ที่มันเป็นไม่เป็นมิเคยเป็นศัตรูกันแล้วมันจะกลับมาเป็นมิตรกันนี่ฉันไม่เคยเห็น ท่านเซนอภูเมียวโโซกล่าวมีทั้งหลายเหล่านั้นและจึงพูดตัดปดว่านี่นี่พวกเราไปนั่งคิดที่บ้านคขาเราดีกว่าต่างคนต่างไปนั่งคิดและต่างฝ่ายแต่งก็แยกแย้ายกลับบ้านของตนส่วนมโหสดเ ด, เดินออกมาทีหลังไม่พูดจากับใครชักตื่นเหมือนกันตรงนี้รีบเข้าไปเฝ้าพระ น, นาวทมพร ราชเทวีทันทีพอไปถึงยึงกลับทูลถามว่าข้าแต่พระเทวีเจ้าข้าแต่พระแม่เจ้าข้าประบาทอยากจะทราบว่าวันนี้หรือว่าวานนี้พระราชาประทับอยู่ที่ไหนนานๆพระนาอุทมพรรับสั่งว <c oughs> ่าเมื่อวันนี้หรือเมื่อวานนี้พระทูลธรอม กันเด็ดดำเนินไปมาระหว่างพื้นยาวของพาาระสารทที่เป็นยาวพื้นยาวยาวสะ ท, ทอดเหมือนสะพานแล้วก็ทอดพระเ น, นตรออกไปข้างนอกเป็นเวลานานมโหสถบัณฑิตตาเมื่อว่าพระราชาคงจะทอดพระเนตรเห็นอะไรอะไรตรงนั้นเป็นแน่ยังไม่ทูลาลาพระนามอุทุมพรเทวีไปหน้าที่ตรงนั้น แลดูไปข้างนอกก็ได้เห็นอาการของแพะกับสุนัขซึ่งแสดงความสนิสทสนมชิดชอบซึ่ง ก, กันและกันก็เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าพระราชาควรจะอบสุนเนศเห็นสัตว์สองนี้เป็นแน่จึงเล่ทรงผูกปัญหาขึ้นเมื่อพระโหสถได้เข้าความดังนั้นก็จึงได้เดินทางกลับบ้าน ฝ่ยวันทิกเืงสี่คือเรื่องเสนกบุปเสกามินทะและเทวินกลับวันเดินไปเดินมาคิดแล้วคิดอิั่งคิดนอนคิดเดินคิดตะแคงคิดโฮกเมงคิดคิดเท่าไรก็กปปัญหานไม่แตกท่านเริสี่จงมาพากันมาปรับทุกข์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างเกรงว่าจะถูกรับ ท่านี้พ่ อ, อไร่พระจนปัญญายิ้มภาษาว่าควรไปมหอไปหามโหสถคือจะได้เข้าความของปัญหาบ้างเมื่อชอบพร้อมกันแล้วก็พากันไปบ้านมโหสถบัณฑิตนี่ไอ้เจ้าเท่าสารพัดพิษตัวอิจฉาได้สี่อยาเห็นว่าชาวบ้านทําอะไรไม่ดีไปสะหมดตัวเองเท่านั้นที่ทําแล้วยังดี บ้านเมืองจะจิบหายมันไรยคนจะยากจนเข็นใจเจ้าเท่าสรารพัดพิษไม่เคยคิดคิดแต่อย่างเดียวถึงความเป็นใหญ่เท่านั้นได้เวลานี้เจ้าเท่าสรารพัดพิษหมดปัญญาต้องไปหานเด็กคือมโหสถที่มีอายุเพียงเจ็ดปีแตนมโหสถบัณฑิตไม่ได้ทราบว่าอาจารย์ท่านสี่มหา ยื่นออกไปต้อนรับที่ประตูบ้านแล้วก็เชิญเข้ามาข้างในเมื่อทุกคนนั่งในที่สมควรกันจนเรียบร้อยแล้วท่านมณีทั้งสี่จึงได้เริ่มถามมโหสถว่าท่านมณตคิดปัญหาได้แล้วหรือยังท่านมโหสถกต็ตอบว่าขอรับผมคิดได้แล้ว ท่าบนบรรลิตทั้งสีว่าถ้าที่นั้นท่านยับอกข้าพเจ้าบ้างสิเพราะหัสวสบท่านบอกว่าถ้าเราไม่บอกบัณฑิตทั้งสี่ก็จะถูกพระราชาเกลียวจะต้องถูกขับออกจากแคว้นทั้งนี้เพื่อเห็นแก่มนุษย์ธรรมมนุษย์ธรรมครรมือทาให้ความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เขาแปลว่าใจสูงฆ์คือเป็นคนดี ยิ่งคิดว่าควรจะบอกบัณฑิตทั้งสี่ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของพระราชาในสมายแมพระร า, าสันัต์ต้องได้รับคุณทาหากว่าเราไม่บอกแต่ต้องได้รับความเดือดร้อนเท่านั้นไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไว้ถูกขับถูกไล่ไม่ได้นี่ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็ดูน้ําใจของมโหสถบัณดิตมีความดีอย่างนี้คนที่มีเมตตาพวกคนนั้นไม่มีทางตด ตกต่ำห้อฟังเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตต่อไปกว่าจะจบดูหลานจะทราบเมื่อดั่งนิรแล่มมโหสถจึงพูดว่าเอาละครับท่านอาจารย์ผมจะบอกให้แล้วก็ให้บัณฑิตทั้งสี่นั่งบนอัศนะที่ต่ํากว่าตนเนี่ยตามธรรมดาคนที่จะสอนใครเนี่ยเขาต้องนั่งสูงและคนที่รับคําสอนต้องนั่งต่ำโลกหลังใจให้ดีนะ เมื่อคนที่เขาเป็นครูจะอยู่ในฐานะขอทานก็ช่างเราต้องให้เขานั่งสูงในฐานะเขาเป็นครูเราจะเรียนนิชาความรู้จากเขาต้องนั่งต่ำแสดงความเคารพมันถึงนี้ถูกเป็นอ น, นุนว่าเพราะว่ามโหาสดมีอายุอ่อนกว่าบัณฑิตทั้งสี่แต่ว่าสูงกว่าในทางปัญญาจึงนั่งสูงผู้มีปัญญาแม้มีอายุน้อย ก็ควรที่ผู้ใหญ่จะต้องแสดงความเคารพเห็นไหมใช่ไหาาอย่างนั้นนะเพื่อรับความรู้จากผู้น้อยพระบรรดาลูกหลานที่รักเป็นอันว่าสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดกัแล้วคอยรับฟังกันวันหนาต่อไปว่าเป็นโมโหสดบันดิตจะบอกอะไรกับท่านเสนกโนกิลกีการประเภทไหนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล ้อมบูรณปุณผลจง ม, มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี